จเจริญพรโยมวันนี้ไม่น่าอาัศจรรย์เท่าไหร่นะเพราะเรามาพบกันโดยมีการนัดหมาย <c oughs> <c oughs> แต่จำนวนก็รู้สึกจะกเป็นพันเราชาวพุทธมาเจอกันทั้งทีนะเราก็ต้องประกาศธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นธรรมะที่องค์อาจกล้าหาญนะเพราะเป็นของจริง ไม่หวันไหวสิ่งที่หลวงพ่อจะประกาศวันนี้ก็คือมรรคผลนิพพานมีจริงๆนะมรรคผลนิพพานไม่ได้พ้นสมัยไม่ล้าสมัยทําไมกล้าประกาศเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์แต่ถ้าทําอย่างอื่นนะโลกก็ว่างจากพระอรหันต์ ามทุกวันนี้สติปัฏฐานยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แต่เราต้องศึกษาให้ดีไม่ยากเลยนะที่พูดเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องนีจะบรรลุมรรคผลนผิพพานในชีวิตนี้แต่ยากที่ยากที่สุดก็คือทำยังไงจะเจริญสติปัฏฐานได้ ยากที่คนคนหนึ่งนะจะเจริญสติแต่ไม่ยากที่พูดเจริญสติแล้วจะเข้าถึงธรรมะงั้นเราต้องเรียนต้องฟังพวกเราอยู่ๆจะมารู้ด้วยตัวเองไม่ได้หรอกว่าวิธีเจริญสติทำยังไงต้องศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ท่องแท้ซะก่อนการเจริญสติใช่ไหมขั้นแรกเราก็ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติก็ไม่มีอะไรจะไปเจริญ ก็จะไปเจริญความไม่มีสติแทนนะงั้นถ้าเราอยากเจริญสติปัฏฐานเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสติปัฏฐานมันเป็นยังไงอันแรกต้องมีสตินะสติเป็นความระลึกได้นะระลึกได้ถ้าเป็นสติปัฏฐานจะแตกต่างกับสติธรรมดาสติธรรมดานี่เป็นความระลึกได้ในอารมณ์ที่เป็นกุศลนะถ้าระลึกในอารมณ์อกุศลนี่ไม่จัดว่าเป็นสติ ถ้าเราลึกได้ในอารมณ์ที่เป็นกุศลถึงจะเป็นสติแต่จะเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่านี่ยอยู่ที่ว่าอารมณ์ที่เราลึกนั้นคืออะไระถ้าหากเป็นการาระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจนะถึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานเราต้องคอยมามีสตินะระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจการรู้นั้นรู้มีสองระดับซ้อนกันอยู่ อันหนึ่งรู้ด้วยสตินะอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญาพัสติปัฏฐานเนี่ยทำไปแล้วจะได้สองอันอันแรกเลยทำไปเพื่อความมีสติอันที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าเพื่อยานทัศนะตัวที่ทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์จริงๆคือตัวยานนั่นเองตัวปัญญานั่นเองลำพังตัวสติเนี่ยเป็นแค่จุดตั้งต้นเนาะเวลาเรามีสติก็เราก็จะสามารถระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของกาย เราลึกรู้ถึงความมีอยู่ของจิตใจได้ถ้ามีปัญญาเนี่ยเราจะเห็นความจริงของกายเราจะเห็นความจริงของใจตัวเนี้ยตัวสำคัญมากถ้าไม่เห็นความจริงของกายไม่เห็นความจริงของจิตใจเราจะยึดถือกาย ย, <S 2> <S 2> ยึดถือใจไม่เลิกไม่ว่าเรารักสิ่งใดนะเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นเรารักอะไรมากที่สุดเรารักตัวเองมากที่สุดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจ นั่นเราจะยึดถือกายยึดถือใจนะไม่พ้นถูกหรอกทาไมเราไปยึดถือกายทําไมเราไปยึดถือใจเพราะเราเห็นว่ามันเป็นของดีของวิเศษอาศัยว่ามีกายมีใจคู่นี้แหละเราจึงได้เสพอารมณ์ที่ดีๆทั้งหลายในทางโลกอาศัยมีตาใช่ไหมเราไปมองรูปมีตาอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีใจด้วยมีวิญญาณทางตามีความรับรู้ทางตา ก็ไปดูรูปดูแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนมาที่ใจมาบอกนี่รูปนี้นะสวยนะดีนะจิตใจก็ทำงานต่อเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอะไรขึ้นมาเยอะแยะปรุงแต่งไม่เลิกเนะเพราะนั้นอาศัยที่ว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันก็เลยผิดเชื่อมต่อเข้ากับโลกเหตุได้เห็นของสวยของงามได้ฟังของดีนะ ได้กลิ่นที่ถูกใจได้รถที่ถูกใจได้สัมผัสที่ถูกใจได้คิดได้นึกในเรื่องที่ถูกถูกใจถ้าหากเรามีตาแล้วเราเห็นแต่ของไม่ดีนะอาจจะอยากตาบอดก็ได้หรือมีหูนะได้ยินแต่เสียงด่าตลอดเวลาเลยหูหนวกซะได้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันก็ไปสัมผัสอารมณ์ที่ดีที่เพลิดเพลินที่พอใจขึ้นมามันก็เลยรัก รักในตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดว่ามันนำความอร็จอร่อยมาให้แต่ถ้าเรามาเจริญสติจริงๆนะเรามาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรามาดูกายอย่างที่เขาเป็นดูใจอย่างที่เขาเป็นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นตามดูมันไปมันเป็นยังไงเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้การที่เราเห็นกายเห็นใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะ เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายจะเบื่อคนที่เรียนจากหลวงพ่อตอนนี้มีเป็นพันๆที่จิตมาถึงความเบื่อหน่ายแล้วเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็คือคลายความรักใคร่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสปทพระธรรมลมคลายความรักใครยินดีในรูปในนามในกายในใจนี้เพราะคลายกหนัดจึงหลุดพ้น หลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจเนีนะ้เพราอหยุดหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วในพระไตรปิฎกจะมีคําอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นวลนะีถ้าภาวนาไปแล้วจะรู้สึกสะใจมากนะท่านพูดถึงความหลุดพ้นนะั้นบอกว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุติและเจโตวิมุติอันไม่กําเริบกลับนะ ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกอันนี้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะก็ต้องเริ่มต้นก่อนต้องมีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะสติไม่ใช่การคิดนะสติไม่ใช่การกําหนดจดจ้องพวกเรารุ่นหลังไปแปลสติว่ากําหนดแปลผิดกําหนดเป็นภาษาขเขมรนะคําำเดียวกับคำว่ากด กดเอาไว้คมเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมเอาไว้ในขณะที่คาว่าสติแท้ๆแปลว่าความระลึกได้ความระลึกได้เกิดจากอะไรตัวนี้ต้องเรียนความระลึกได้มันเกิดจากจิตนี้มันจำสภาวะได้แม่นยำเรียกว่ามันมีทิระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือทิระสัญญาทิระนี่คำเดียวกับคนไทยใช้คาว่าสถียนะเถียนสถิระ มันจดจําสภาวะธรรมได้แม่นเห็นไหมอาศัยสัญญานะบางคนเกลียดสัญญาถ้าปราศจากสัญส ญ, ญาเนี่ยทำมิปัสนาไม่ไดนะ้กระทั่งในสมาธินะพระสารีบุตรเคยบอกว่าในสัญญาสมาบัติในสมาธิที่ยังมีสัญญาอยู่ยังเอาไว้ทํำมิปัสนาไดนะ้ถ้าเพิกสัญญาไปแล้วเนี่ยทำไม่ได้สัญญามันจําเป็นยังไงสัญญาเป็นความจําสภาวะได้แม่นเพราะฉะนั้นะเราต้องหัดรู้สภาวะก่อนะ สภาวะของรูปธรรมเป็นยังไงสภาวะของนามธรรมเป็นยังไงคอยหัดรู้ไปเรื่อยๆสภาวะของรูปธรรมแท้ๆดูยากมากรูปแท้ๆคือธาตุนะธาตุสี่รูปที่เหลือนั้นเป็นสิ่งซึ่งธาตุสี่สร้างขึ้นมาอาศัยธาตุสีเกิดมาอีกทีหนึ่งอย่างรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยอาศัยธาตุสี่นั้นประชุมกันขึ้นมาแล้วก็บิดเบือนตัวเองไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ งั้นรูปแท้ๆคือตัวาธาตุธาตุจริงๆดูยากที่สุดคนจะดูให้เห็นตัวาธาตุได้จิตต้องทรงสมาธิจริงๆจิตต้องตั้งมั่นจริงๆเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกในอัทธกถ า, าในพระอภิธรรมอะไรจะสอนว่ากายานุปัสสนาในการรูปกายเหมาะกับสมถยานิกเหมาะกับคนธรรมชาติ ทำฌาจนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆนะตั้งมั่นมีเรื่องว่าเอโกที่ภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งหมายถึงว่าจิตมันทรงตัวเด่นขึ้นมาแยกตัวเองออกมาจากสิ่งต่างๆที่มันไปรู้เข้าเช่นร่างกายนี้หายใจอยู่จิตเป็นคนรู้อยูนะ่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้อยู่นี้จิตมันจะทรงตัวแยกออกมาอยู่ต่งางหๆนะมันถึงจะเห็นวนะ่ร่างกายนี้ที่ยืนเดินนั่งนอนนี้เป็นแค่ก้อนธาตุที่เคลื่อนไหว ฟังดูเหมือนยากนะแต่ว่าหัดฟังไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสติเกิดแล้วก็หลายคนไปส่งกันบ้านหลวงพ่อนะมีนับไม่ถ้วนนะบางคนไม่ได้เจตนานะเพราะว่าเจตนาจะไม่เห็นเจตนามันก็เป็นโลภะเจตนาอย่างกำลังอาบน้ำอยู่เนี่ยถูสบู่นะถูถูถถูไปนะสติเกิดะระลึกถึงร่างกายร่างกายถูสบู่ สติระลึกถึงร่างกายไดนะ้ใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะเห็นในฉับพลันนั่นเลยไอ้ตัวที่เรากำลังฟอกสบูน่นี่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นท่อนๆ น, นะเป็นแท่งๆเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แข็งๆมั่งอ่อนๆมั่งนะร้อนๆบ้างเย็นๆบ้างเนะนี่ยมันไปสัมผัสเอาตัวาธาตุเขาจะเห็นทันทีเลยตัวนี้ตัวนีนะ้มันไม่ใช่ตัวเราะย้งนะไม่ใช่ตัวเราละ เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นนะถึงจะเห็นแต่สภาวะของนามาทำเนี่ยจะง่ายเด็กเล็กๆหลวงพ่อถามเด็กเล็กๆนะบางคนบอกว่าดูจิตยากหลวงพ่อเคยเรียกเด็กมาทำรู้จักโกรธไหมเด็กก็รู้จักนะรู้จักโลภไหมเด็กก็รู้จักรู้จักหลงไหมใจลอยเม่อเมเผลอเเคลื่มเคล่มไปเด็กก็รู้จักรู้จักอิดช้าไหมก็รู้จักใช่ไหมรู้จักกลัวไหมรู้จักเกลียดไหมรู้จักกังวลไหม เนี่ยสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นพวกเรารู้จักดีอยู่ทุกคนละหน้าที่ของเรานก็คือคอยตามดูไปสภาวะธรรมใดกำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะคอยตามดูไปให้ดูเล่นๆนะห้ามไปดูจริงจังห้ามไปจ้องไว้ก่อนถ้าจ้องไว้ก่อนจะกลายเป็นการเพ่งถ้าเพ่งใช้ไม่ได้ให้ดูเล่นๆไปเช่นนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยสังเกตไหมบางทีจิตใจก็เกิดความสนใจ นะบางทีจิตใจก็เกิดความฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องอื่นนะบางทีก็ฟุ้งซ่านในธรรมะคือฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็ไปคิดตามนะเนี่ยสังเกตใจเราไปนะบางทีก็ใจเราก็นิ่งรู้สึกไหมขณะนี้ใจนิ่งๆเนี่ยสังเกตไปเรื่อยๆนะการที่เราหัดสังเกตสภาวะในจิตใจไปเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้จิตนั้นจําสภาวะได้แม่นนะเพราะมันเห็นบ่อยๆมันก็จําแม่นเหมือนเราเห็นคนคนหนึ่งนะเราเห็นทุกวันในคนนี้เราก็จําแม่น หลายๆปีเห็นทีหนึ่งก็จําไม่แม่นเพราะฉะนั้นทีระสัญญาเนี่ยการที่เราเห็นบ่อยๆแล้วมันจะเกิดทีราสัญญาจําแม่นเพราะจําได้ว่าสภาวะของความโลภเป็นอย่างนี้สภาวะของความโกรธเป็นอย่างนี้สภาวะของความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความลังเลสงสัยนสภาวะของความสุขความทุกข์สภาวะของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีสภาวะทั้งสิ้นทั้งที่เป็นกุศลอกุศลทั้งที่เป็นกลางกลาง แต่ละตัวมีสภาวะแต่เบื้องต้นนั้นไม่จาเป็นที่ต้องรู้สภาวะทุกตัวไม่จำเป็นเลยนะการศึกษาการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะต้องรู้สภาวะทุกๆตัวพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทำสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานเหมือนกับทำงานวิจัยเวลาเราทำงานวิจัยเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนสุ่มตัวอย่างมาวิจัยเราไม่ต้องวิจัยทุกๆตัว อย่างเราต้องการทราบทัศนคติของประชาชนสมมติภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเราไม่ต้องแจกเวชแนในให้กับคนทุกคนเราสุ่มได้ถ้าวิธีสุ่มนั้นดีเลือกตัวอย่างได้ดีนตัวอย่างนั้นมันจะ represent องค์รวมภาพรวมทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราวิจัยธรรมะเรียกว่าธรรมาวิจยะ ท่านใช้คํานี้มาก่อนนะคำว่าวิจัยท่านใช้คําว่าธรรมวิจยะไม่ให้วิจัยธรรมะธรรมะคือรูปธรรมนามธรรมนะวิจัยธรรมะ <te le Dh aki> วิธีวิจัยธรรมะก็คือซูมตัวอย่างตัวอย่างนั้นท่านเลือกมาให้เรียบร้อยแล้วตัวอย่างนั้นก็คืออารมณ์ในสติปัฏฐานนั่นเองท่านสอนให้รู้กายในกายกายในกายหมายถึงอะไรหมายถึงให้รู้กายบางอย่างซุมตัวอย่างของกายบางอย่างมาเรียนเอาอันเดียวก็พอนะ สุ่มตัวอย่างมาหนึ่งกลุ่มกายบางอย่างเท่านั้นถ้าเข้าใจกายบางอย่างนี้แจม่มแจ้งจะเข้าใจรูปและนามคือเข้าใจทั้งกายทั้งใจนี่เข้าใจหมดเลยอย่างแจม่มแจ้งขึ้นมาหรือท่านสอนเวทนาในเวทนานะท่านให้สุ่มตัวอย่างเอาเวทนาบางอย่างนี่แหละมาเรียนนะถ้าเข้าใจแจม่มแจ้งนะ้วก็เข้าใจทั้งรูปทั้งนามทาั้งกายทั้ง ใ, ใจอีกหรือสอนให้เอาจิตในจิตบางอย่าง เช่นจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภแค่คู่เดียวก็พอละนะจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธนะจิตที่หลงกับจิตที่ไม่หลงนีจิตที่ฟุ้งซ่านกับจิตที่โหดหูเพียงคู่ใดคู่หนึ่งนะก็เพียงพอกับการวิจัยธรรมะละเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่หลงไปนะเป็นตัวแทนของอกุศลจิตเห็นไหมมีระบบตัวแทนนะจิตที่รู้สึกตัวนี่เป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศล จิตที่โกรธเป็นตัวแทนของอกุศลนะจิตที่ไม่โกรธเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลจิตที่โลภเป็นตัวแทนของอกุศลจิตที่ไม่โลภเป็นตัวแทนของกุศลมีตัวแทนเพราะงั้น <AM. S 1> <Bonnie. S 2> เวลาเราเรียนเราเรียนคู่เดียวพออย่างพวกที่มาที่บ้านอารีมาเรียนจากอาจารย์สุรวัตรอาจารย์สุรวัตรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะเราถ้ายัางไม่เรียนก็พยายามมาเรียนไว้แนะนาให้นะแกจะได้งานเยอะ <laughs> จะได้ถัวถ่วๆไปนะนั้นไปหาหลวงพ่อคนเดียวเหนื่อยอนะจารย์สุรวัรจะสอนนะแก จ, จะสอนบอกว่าเผลอไปลนะรู้คู่เดียวจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกนี่คือการสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะ้วนะจิตที่หลงไปนัเป็นโมหะตัวนี้ละเอียดที่สุดลนะจิตที่เป็นโทสะจิตที่มีราคะอะไรนี่หยาบกว่า งั้นถ้าคนไหนภาวนานะสามารถเห็นจิตที่หลงไปได้นะตัวนี้ละเอียดล่ะจิตเราหลงตลอดเวลาเดี๋ยวหลงไปดูเดี๋ยวหลงไปฟังเดี๋ยวหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสที่กายหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนะลองพวกเราลองดูนะลองตั้งใจดูอะไรรับๆตัวเราสักอย่างหนึ่งดูอย่างจดจ่อดูอะไรก็ได้นะรู้สึกจะนิยมดูพระองค์นี้นะ สงสัยพระถ้าไม่คลังก็เสื่อมมีสองอย่าง <c oughs> เห็นไหมในขณะ ท, ที่เราตั้งใจดูเราจะลืมกายลืมใจของเราเองอย่างนี้เรียกว่าหลงดนะูเวลาหลงไปดูนะเราก็ลืมกายลืมใจมาตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมขณะ ท, ที่ตั้งใจฟังเนะี่ยเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองนะขณะได้กลิ่นขณะรู้รสขณะรู้สัมผัสทางกายขณะ ท, ที่เราคิด เราก็จะลืมกายลืมใจตัวเองมันมีแต่เรื่องลืมกายลืมใจทั้งสิ้นเลยเนี่แหละเรียกว่าหลงหลงมีต้งหกทางนะหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกปรุงแต่งหลงทางหกทวารนี้เยอะเกินไปที่จะเรียนมากไปแค่นี้ยังเยอะไปนะเราสุ่มตัวอย่างให้เล็กกว่านี้อีกลงอะไรมากที่สุดหลงทางใจมีมากที่สุด สังเกตัหมวันหนึ่งวันหนึ่งหลงคิดมากที่สุดเลยเดี๋ยวก็คิดแวบเดี๋ยวก็คิดแวบเดี๋ยวก็คิดแวบนะทุกๆวินาที2วินาทีประมาณนั้นนะ่ะพวกเราสังเกตใจตัวเองไปด้วยนะเราเรียนแบบปฏิบัติไปด้วยสังเกตไหมใจเราไหลแวบหนีไปคิดแวบหนีไปคิดเป็นระยะระยะระย ะ, ะ, ยะนะนี่แหละหัดรู้ไปนะหัดรู้ไปนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเราจะเห็นใจไหลไป พอเรารู้ทันว่าใจไหลไปเราก็ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาแวบหนึ่งไม่เกินสองวินาทีก็ไหลไปอีกละไหลอีกแวบหนึ่งรู้ทันอีกก็ตื่นขึ้นมาอีกเราฝึกอยู่อย่างเนี้ยทาอะไรมากไม่เป็นรู้จักสภาวะแค่คู่เดียวก็พอละจิตที่หลงไปก็เป็นตัวแทนของอกุศลเราก็จะเห็นเลยจิตมันจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตมันหลงของมันเองมันทํางานของมันเองเห็นไหมจิตมันไม่เที่ยงหรอกจิตมันเป็นอนัตตา มันไม่เที่ยงก็คือพอมันรู้ตัวแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวแล้วมันก็กลับมารู้ตัวแต่คนทั่วทั่ไปทําไม่ได้นะเพราะคนทั่วไปไม่มีสติไม่เคยรู้ตัวเลยมีแต่หลงอย่างเดียววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยหลงวันละครั้งเดียวคือหลงตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับหลงวันละครั้งนะไม่มีเกิดดับให้ดูหรอกเพราะฉะเราหัดรู้จักใจเราไหลไปคิดแล้วเรารู้ทันใจเราไหลแลไปคิดแล้วเรารู้ทันต่อไปใจมันหนีไปคิดเนี่ยเรารู้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้ นี่ทำไงเราจะฝึกนะอันนี้หลวงพ่อพูดทั่วทั่วไปนะเพราะว่าญาติโยมเยอะถ้าเรียนน้อยๆเรียนทีละคนสองคนก็บอกให้เป็นคนคนแต่อย่างเราจำนวนมากนะลองทำหลักสูตรกลางๆดูขั้นแรกเลยหาเครื่องอยู่มานหนึ่งนะอยู่กับพุทธโทรก็ได้นะหรือเราบางคนชอบชื่อแฟ น, นเคยมีน้าพระองค์หนึ่งหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธฐานิโยนะ บอกให้บริกรรมพุทธโธนะท่านก็ท่องพุทธโธพุทธโธแป๊บเดียวจิตมันไม่เอาพุทธโธไปท่องชื่อแฟนแทนนะรู้สึกแหมเรานี้ใจบาปหยาบช้าทิ้งพระพุทธเจ้านะไปท่องชื่อสาวซะแล้วมาปรึกษาหลวงพระพุทธนะท่านบอกจิตมันชอบมันก็ให้บริกรรมไปเลยสมมุติว่าแฟนชื่อมารีมารีมารีารไปเรื่อยนะนะนะหรือชื่อมนสิริมนสิริอะไรเงี้ยนะท่องไป ใจมันชอบนะใจใจมันอยู่เขาเคลียร์อยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าการบริกรรมเนี่ยเราอย่าไปบริกรรมแบบนกแก้วนกขนทองเพื่อให้จิตนิ่งอย่างเดียวแค่นั้นไม่พอเราบริกรรมเพื่อให้จิตนิ่งมานานแล้วลองพัฒนาการบริกรรมของเราใหม่นะบริกรรมแล้วรู้ทันจิตครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะชื่อท่านอาจารย์บุญจันทร์อยู่ถ้ำผาพึ่ง ท่านอาจารย์บุญจันทร์เคยสอนบอกว่าให้บริกรรมพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็มารู้ทันใจตัวเองงั้นเราสังเกตไปนะเราท่องพุทโธพุทโธสังเกตไหมพุทโธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปนะใจไหลแวบหนีไปที่อื่นแล้หนีไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดพุทโธแล้วเราก็รู้ทันจิตว่าหลงไปคิดแล้ว เห็นหมเนเรียกว่าพุทโธใจรู้นะพุทโธ ร, รู้ใจพุทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆหัดพุทโธหัดให้มันได้อย่างนี้นะอย่าเอาแค่พุทโธเฉยๆมันนกแก้วนกขุนทองหรือสัมมาละหังอะไรเป็นนกแก้วนกขุนทองอันนั้นได้แต่สมถะแต่สมถะก็มีประโยชน์บางครั้งเราก็ต้องทําสมถะทําสมถะเพื่อให้จิตใจได้สงบได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วเราต้องหัดดูสภาวะต่อไป งั้นพวกเราหัดดูสภาวะนะลองท่องอะไรสักอย่างหนึ่งในใจเราพุโทโธสั้นไปนะก็จะท่องอย่างอื่นก็ได้นะอรหังสัมมาอะไรย่างงี้ก็ได้นะสวดมนต์อยู่ในใจเอาบทสั้นๆนะไม่ต้องขนาดชินบัญชรท่องยาวไปเดี๋ยวมัวแต่คิดบทสวดมนต์เราจะท่องเพื่อจะดูจิตเท่านั้นเองงั้นเรามาหาัดพุดโทโธพุทโธใจไหลแวบไปหนีวิคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วเรามาพุโทโธต่อ พุทโธพุทโธหนีไปอีกแล้วได้สองพุทโธอย่างหนีไปอีกแล้วพวกเราลองดูสินะเอาหลวงพ่อให้เวลาเล็กน้อยให้พวกเราพุทโธแล้วสังเกตดูว่าพุทโธได้กี่ครั้งจิตหนีไปคิดอา้าวเชิญอา้าพอแล้วมีใครพุทโธได้หนึ่งครั้งแล้วจิตหนีไปบ้างไหมมีมัมยกมือสิ โอ้เยอะสองครั้งนะสองครั้งแล้วหายไปมีไหมโอเยอะเหมือนกันนะสามครั้งแล้วหายไปมีไหมโอ้เยอะนี่นี่ชักภาวนาเป็นแล้วเห็นไหมเริ่มดูจิตออกแล้วมีใครสิบครั้งแล้วไม่หายมีไหมนี่พวกภาวนาไม่เป็น <c oughs> ถ้าพวกครั้งเดียวหายนี่นะพวกสติไวมากเลยพุนะโทโธจิตไหลปับ๊บรู้สึกไหลปับ๊บรู้สึกนะพวกสองครั้งก็ยังพอไหว สติช้าหน่อยนะแต่ถ้าสติเร็วๆนั้นเจะเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะบางคนบอกพุทธโธมา3วันสามคืนแล้วยังไม่หนีไปไหนเลยความจริงหนีเรียบร้อยแล้วหนีไปท่องพุทธโธนะหนีไปท่องพุทธโธให้กันบ้านแล้วนะทุกคนนะพวกเราเยอะเกินกว่าที่หลวงพ่อจะสอนลายตัวแนละ้วหลวงพ่อให้กันบ้านในภาพรวมนะกลับไปฝึกบริกรรมอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่ง บริกรรมอะไรก็ได้แล้วสังเกตใจเราบริกรรมได้คำสองคำจิตหนีไปทีบริกรรมจิตหนีไปอีกทีนะให้คอยรู้ทันจิตที่หนีไปไม่ใช่บริกรรมเพื่อไม่ให้จิตหนีจาไว้นะไม่ได้บริกรรมเพื่อไม่ให้จิตหนีแต่บริกรรมแล้วก็รู้ทันไปว่าจิตมันหนีไปละคนไหนไม่ชอบบริกรรมก็หายใจก็ได้นะหายใจออกหายใจเข้าไปดูซิหายใจแล้วจิตมันหนีไปไหมบางทีมันก็หนีไปคิด หายใจไปหายใจมาจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็ให้รู้ทันนะอย่าไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวอย่างนั้นเป็นสมาธิที่ไม่เกิดปัญญาดังนั้นให้เราค่อยรู้ไปหายใจไปหรือพุโทโธไปนะหรือบางคนถนัดดูท้องพองยุบเราดูท้องพองยุบแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองนะท้องพองท้องยุบเนี่ยอ่านีไปละท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบอ่านีไปอีกละเนี่ยนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะใช้ได้เหมือนเหมือนกันหมดกรรมฐานอะไร ในเบื้องต้นใช้กรรมฐานที่เราถนัดที่เคยทำแล้วสบายใจนั่นแหละเอามาทำํำแต่พัฒนาต่อยอดขึ้นไปให้เห็นจิตใจมันทํางานอย่างสายหลวงพ่อเทียนเขาขยับไม้ขยับมือใช่ไหมขยับมือขยับมือแล้วอ ย, ขย่ขยับส่งเดชขยับไปใจลอยหนีไปไหนตอนไหนนี่ใช้ไม่ได้อีกพวกหนึ่งขยับมือไปนะส่งจิตไปเพ่งอยู่ในมือพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้พวกนี้คือเพ่งเอาไว้ แล้วขยับไปแล้วค่อยรู้สึกรู้สึกตัวไปใจหนีแวบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเนี่ยขยับมาแล้วอ้าหนีไปโน่นแล้วรู้ทันนะขยับไปแล้วก็ใจหนีไปแล้วรู้ทันเห็นไหมเบื้องต้นใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะไม่ดีไม่เร็วไปกว่ากันหรอกนะไม่ต้องทะเลาะกันนะว่าสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนรวมความแล้วก็ถ้าทําถูกก็ดีเหมือนเหมือนกันถ้าทําผิดก็ผิดเหมือนเหมือนกันนะไม่ว่ากรรมฐานชนิดใดเบื้องต้นทํากรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไป กรรมฐานบางอย่างเป็นทางใจล้วนๆนอย่างพุโทโธอะไรนี้เป็นเรื่องทางใจล้วนๆเราก็พุโทโธไปแล้วสังเกตใจของเราไปกรรมฐ า, านบางอย่างก็เนื่องด้วยกายด้วย น, นั้นเวลาที่อย่างเราดูท้องฟองยุบเรายกเท้าย่างเท้าเราหายใจเรารู้อิริยาบถสี่เราขยับไม้ขยับมือยนมันจะรู้กายได้ด้วยเราขยับสมมติเราขยับมือไปหรือดูท้องฟอ ง, ฟองยุบไปเนี่ยบางทีจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตใช่ บางทีจิตไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วไปเพ่งอยู่ที่ท้องเห็นท้องฟองท้องยุบนะจิตถลําลงไปเพ่งเราเห็นกายเรารู้กายนี่หลงไปอยู่ที่กายให้รู้ทันอีกจนกระทั่งต่อมาใจเราตั้งมั่นใจเราไม่หลงไปใจเราตั้งมั่นเองนะไม่ใช่บังคับให้ตั้งมั่นให้เราคอยรู้ทันใจที่หลงไปเรื่อยๆนี่แหละบริกรรมไปแล้วใจไหลไปเราก็รู้ทันดูท้องฟองยุบแล้วใจเราไหลไปคิดก็รู้ทันใจไปเพ่งท้องก็รู้ทัน ดูลมหายใจแล้วจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจแล้วก็รู้ทันเหมือนกันหมดนะวิธีอะไรก็ได้อารมณ์อะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรฝนะึกไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกจิตเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกนี่เรียกว่าเรามีสติแล้วนะนี่เรียกว่าเราได้เครื่องมือคือสติแล้วนะนะนะร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตเคลื่อนไหวเรารู้สึกหนะลวงพ่อนะแต่เดิมหัดดูจิตจากหลวงปู่ดูลมา ชอบดูจิตนะดูจิตเรื่อยๆวันหนึ่งไปกลับหลวงพ่อเทียนกอ็อท่านขยับมือถ้าสนุกดีมาหัดขยับบ้างนะขยับอยู่วันสองวันวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งถนนไม่ใหญ่นะไม่ใช่อย่างเยาวราชเลยรถเยอะนะหมเดินสุมสี่สุม5ลรถเหยียบตายนี่ถนนเล็กๆกลับเห็นเพื่อนเดินอยู่เนี่ยเราจะข้ามถนน จะไปกุยกับเพื่อนมันดีใจขึ้นมาดีใจแล้วลืมรู้ว่าดีใจเพราะว่าไม่เจอมันนานแล้วอยากเจอมันพอเราก้าวขาขาขยับเท่านั้นนะเพื่อจะเดินไปข้ามถนนสติเกิดเลยมันเห็นรูปที่เคลื่อนไหวขึ้นมาเลยนะงั้นเราหัดไปอย่างเงี้ยถึงเวลาแล้วสติจะเกิดเองร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติจะเกิดเองหรือเราหัดดูจิตดูใจนะพอจิตใจเราเคลื่อนไหวนะสติจะเกิดเอง เราหัดของเราไปเรื่อยๆนะตรงที่สติเกิดเองนี่สาคัญมากเลยเพราะตรงนั้นปราศจากโลภะเจตนาไม่ได้จงใจไม่ได้มีกิเลสแทรกไม่ได้จงใจนั้นสติตัวนั้นจะเป็นสติจริงๆรู้ขึ้นมาโดยไม่เจตนาจะรู้รู้ขึ้นเองโดยไม่เจตนาจะรู้แต่รู้เองได้ไหมรู้เองไม่ได้เราฝึกของเรามาเราซ้อมของเรามาจนจิตมันจำสภาวะได้แม่นสติเลยเกิดขึ้นมา นี่พอสติเกิดแล้วทำยังไงต่อต่อไปแล้วพอเรามีสติเรารู้สึกตัวเป็นแล้วนะทันทีที่เรามีสติขึ้นมาเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดพวกเราสังเกตไหมเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเกือบตลอดเวลาเห็นไหมใจเราคิดอุดตลุดเลยรู้สึกไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดใครฟังเข้าใจได้บ้างไม่มีหรอกเพราะว่าธรรมะไม่สามารถเข้าใจด้วยการฟังสังเกตไหม เราฟังเราสลับกับคิดนึกออกไหมฟังไปคิดไปพวกที่นั่งข้างนอกด้วยรู้สึกไหมพวกที่ยืนอยู่ด้วยฟังหลวงพ่อพูดนี่ไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังเราก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆไงไไตรงที่รู้เรื่องน่ยรู้เรื่องเพราะคิดนึกออกไหมไม่ใช่รู้เรื่องตรงที่ฟังตรงที่เสียงหลวงพ่อกระทบหูเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยมันมารู้เรื่องตรงที่เราไปคิดนั่นเองเพราะฉนั้นจริงๆเรารู้เรื่องเพราะคิดเมื่อมันรู้เรื่องเพราะคิดเนี่ยมันอาภัพแล้ คิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่รู้เหมือนกันใช่อาจจะคิดเอาเองหลวงพ่อพูดอย่างนี้คิดเอาเองอีกอย่างหนึ่งแล้วจริ ง, รงๆมักจะเป็นอย่างนั้นด้วยกระทั่งหลวงพ่อเองนะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆ เ, เรียนวิชาศีลธรรมนะเขาสอนเรื่องอริยสัจสีทุกสมุทยัยนิโรธมักใช่เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อเนี้ย <c oughs> นปะัญหาเป็นสมุทยัยนิโรธแปลว่านิพพานนิพพานแปลว่าตาย แปลไปอย่างนั้นนะักนศึกษาโบราณนะอ่ะทีนี้คงแก้ไปแล้วมั้ง <c oughs> เราดูๆแล้วเออง่ายนะอริยสัจง่ายคิดว่าอริยสัจเป็นของง่ายโอ้โหภาวนาแทบเป็นแทบตายนะักว่าจะรู้จักอริยสัจยากที่สุดเลยนะยากที่สุดเลยยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะรู้จักอริยสัจที่แท้จริงนะเนี่ยเวลาเราฟังธรรมะนะมันฟังแล้วเหมือนเข้าใจจริงๆไม่เข้าใจหรอกมันเข้าอะไรมันเข้าหู แล้วมันจะเข้าหูซ้ายมันออกหูขวาสิ่ีกนะนั่นอุดหูไว้ข้างนะให้มันเข้าให้มันล อ, อกไปพออุดหูไว้ข้างหนึ่งมันออกทางปากแล้วคราวนีนะ้พูดจ่อยๆเดี๋ยวธรรมะหนีไปหมดละนะมันไม่เข้าใจมันเข้าสมองไปมันเข้าหูไปนะนั้นธรรมะจะเข้าถึงใจได้เราต้องปฏิบัติด้วยใจของเราจริงๆ รู้ลงมาให้ถึงจิตถึงใจของตัวเองจริงๆเราเห็นเลยจิตใจนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจเราทํางานตลอดเวลาจิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยคนที่ฝึกกรรมาฐานกับหลวงพ่อตอนนี้นะจำนวนมากเลยที่ว่าสติเกิดทั้งวันทั้งคืนแล้วนะนอนกลางคืนนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยนะนอนหลับๆับอยู่เนี้ยนอนกลางคืนอยู่นะจิตไปฝันจิตไปคิดเนี้ยสติรู้เลยนะไหววับรู้สึกวับรู้สึกเลย พวที่ฝึกได้อย่างนี้ไม่ต้องกลัวไปตกนรกแล้ไม่แปลบายแล้วนะเพราะเวลานิมิตตอนตายไม่ดีเกิดขึ้นนะสติมันจะทํางานอัตโนมัติปุ๊บขึ้นมาเลยสมมติกำลังฝันฝันไปเดินขบวนนะกำลังเลือดเดือดอยู่กาลังโกรธแล้วโกรธแล้วจะตีเขาแล้วเนี่ยสติระ ล, ลึกปั๊บเห็นความโกรธนะขาดสะบั้นตรงนั้นนะตายไปไม่ต้องตกนรกแล้วนะงั้นพวกเราฝึกนะฝึกให้มีสติไปเรืจนกระทั่งสติเป็นอัตโนมัติ สติอัตโนมัติแล้วสติจะทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตจะไม่นะสติมีหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตทันทีที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีทันทีที่สติเกิดอนอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นทันทีที่สติเกิดนีกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อสติเคยเกิดแล้วเนี่ยต่อไปสติจะเกิดได้คล่องแคล่วชำนาญมากขึ้นกุศลก็เจริญมากขึ้นนะ เพรานั้นเราต้องค่อยๆฝึกนะหัดรู้สภาวะไปให้กันบ้านทุกคนแล้วพยายามไปทํานะต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองไว้พุโทโธไว้หายใจไว้ดูท้องพองยุบไว้ขยับมือไว้รู้อิริยาบทสี่ไว้ะอะไรก็ได้ที่เคยทํำทําแต่ว่าไม่ทําแบบเดิมทําแล้วคอยสังเกตจิตจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่มือใส่เท้าใส่ท้องใส่ลมหายใจก็รู้จิตไปทําอะไรก็รู้รู้แล้วก็ค่อยดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิด นี่เป็นขั้นเจริญปัญญาแล้วพอมันมีสติตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยนะต่อไปมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นเลยว่าร่างกายที่จิตไปรู้เข้านี้ไม่ใช่ตัวเรานะเห็นง่ายนะไม่ยากเลยคนที่เรียนจากหลวงพ่อมีเป็นพันๆแล้ที่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแต่ยังไม่ใช่พระโสดาบันเพราะยังเห็นว่าจิตเป็นตัวเราอยู่นะแต่บางคนเริ่มขยับขึ้นมาเริ่มเห็นแล้วว่าในความเป็นจริงแล้วจิตก็ไม่ใช่ตัวเรานะ ความเป็นตัวเราเกิดจากความคิดนึกปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเป็นคลา ว, าวนะ์แต่ยังละไม่ได้นะยังเดี๋ยวก็มีตัวเราเดี๋ยวก็ไม่มีตัวเราอันนี้ก็ไม่ใช่พระโสดาจรนะยังเป็นตัวปลอมๆ อ, อยูนะ่ให้ดูต่อไปอีกนะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปนะเราจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยไม่ใช่ตัวเรามันอยู่ห่าง เราจะรู้สึกร่างกายนี้มันอยู่ห่างๆนะเป็นเรื่องแปลกนะเราภาวนาแล้ ว, ลวเรารู้สึก ร, ร่างกายของเราเองนี่ ant, มันอยู่ห่างๆออกไปเวทนาก็รู้สึกห่างออกไปกุศลอกุศลทั้งเป็นตัวจิตสังขาร Else, ทั้งหลายก็อยู่ห่างๆอย่างความโกรธเกิดขึ้นแต่เดิมทั้งความโกรธมันย้อมใจเราได้ทัความโกรธกระใจนี่รวมเป็นเนื้อเดียวกันเกาะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคราวนี้แหละกูโกรธละกูโกรธนะแต่ทอมาเราหัดภาวนาพอใจเราตั้งมัน่นเราเห็นความโกรธอยู่นี่นะใจอยู่นี่ไม่เกนะี่ยวกัน ต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวกันเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกไปต่อมาเราจะเห็นจิตเองก็เกิดดับนะการที่จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่ง่ายเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นของง่ายเห็นว่าจิตที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นของง่ายแต่ยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าบอกท่าน บ, บอกดูกราภิกษุทั้งหลายเนี่ยปุถุชนที่ไม่ได้สดับ คือคนซึ่ไม่เคยฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วเราต้องหัดสังเกตใจของเราไปด้วยจิตใจเราเห็นไหมใจเราเดี๋ยวก็วิ่งไปทางโน้นเดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้นะบังคับมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็สุข <mm <ๆ S 2> เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดี <mm เดี๋ยวก็ร้ายนะเดีย๋ยวก็ฟุ้งซ<ๆ>่านเดี๋ยวก็โหดหูเดี๋ยวก็อิจฉาที่วัดหลวงพ่อเวลาคนไปส่งกันบ้านนะจะมีดาวอิจฉาเยอะมากเลย พอฟังเพื่อนส่งการบ้านนะั้นมันจะอิจฉาเขานะีพอเราส่งบ้างเพื่อนก็อิจฉาเราอีกนะทำไมแต่ละคนต้องอิจฉากันเพราะว่าเขามีสภาวะที่เราไม่มีเขาส่งการบ้านในส่วนที่เราไม่รู้นะทำไมล่ะก็ต่างคนต่างเดินทางใครทางมันรู้ไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ว่ารู้อันเดียวกันคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้น แต่ว่าจะไปรู้อันโน้นรู้อันนี้เนี่ยรู้แตกต่างกันไปตามจริตนิสัยแล้วแต่จะรู้แต่ว่าทุกสิ่งที่รู้นั้นแสดงใจรักทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะเราเคยเห็นจิตมันเกิดดับจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตไปคิดแล้วก็ดับนะจิตหลงไปแล้วก็ดับจิตมีแต่เกิดกระดับเกิดกระดับทาง ท, างทวารทั้งหกตลอดเวลาการที่เราเห็นจิตมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยมันจะช่วยให้เราละความเห็นผิดได้ พวกเราที่เป็นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าในร่างกายเรานี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมในร่างกาย น, นี้มีเราอยู่คนหนึ่งคนคนนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะ <ๆ S 1> รู้แต่ว่ามันมีเราอยนะู่เราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเดิมนะ<ๆ>เป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมเราตอนนี้กับเราเด็กๆเป็นเราคนเดียวกันหน้าตาไม่เหมือนกันนะแต่ข้างในนี้มีเราคนเดิมอยู่นะเราวันนี้กับเราปีหน้าก็เราคนเดิมอีกหรือเราชาติหน้าก็ยังคนเดิมอีก การที่เราเห็นจิตเกิดดับเราจะรู้เลยว่าไม่มีหรอกตัวตนถาวรจิตก็เกิดขึ้นทีเราแวบแล้วก็หายไปทีเราแวบแล้วก็หายไปนะเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆตัวตนที่ถาวรไม่มีนี่เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งปัญญามันพอนะมันจะตัดเปลี่ยงลงไปเลยว่าในความเป็นจริงแล้วตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีหรอก ไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจักใจนี้ไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยนะในอดีตในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ไม่ได้เคยมีตัวเรามาก่อนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเป็นแค่ความเห็นผิดเท่านั้นเองเป็นความหลงผิดเกิดจากอะไรเกิดจากการคิดผิดๆนะทําไมคิดผิดๆขึ้นมาเพราะความไม่รู้คืออวิชชานะไม่สามารถรู้ความจริงของกายของใจได้ไม่เห็นหรอกว่ามันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเล ย, เลยคิดว่ามันมีตัวตนถาวรนะ เพราะงั้นเราภาวนานะเราคอยดูดไปเบื้องต้นก็หัดดูสภาวะนะเพื่อให้เกิดสติพอเรามีสภาวะแล้วนะต่อไปเราก็จะเห็นกายเห็นใจแสดงใจรักไปเรื่อยๆนะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราถึงวันหนึ่งก็เห็นว่าตัวจิตตัวใจนั้นไม่ใช่เรานะเมื่อจิตไม่ใช่เราแล้วจะไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเราอีกต่อไปแล้วนะเราจะเข้าใจธรรมะในเบื้องต้น วันนี้เอาแค่ธรรมะเบื้องต้นก็พอนะเอาไว้ได้เบื้องกลางแล้วค่อยมาต่อเบื้องปลายเอาแค่นี้ก็แทบตายแล้วนะอพอสมควรไม่รู้จะเทศอะไรละเอ่อเชิญเบอร์หนึ่งเลยครับช่วยชูชูเบอร์ที่เตรียมไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรียงตามลำดับนะครับรู้สึกไหมจิตฟุ้งซ่านรู้สึกไหม นะดูออกไหมวักแวกวักแวกวักแวกนะนะบางคนอยากกลับบ้านแนละ้วพระอะไรวะพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> อะไรที่มันไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนะมันก็ยากทั้งนั้นแหละนะถ้าพอมันคุ้นเคยแล้วมันก็ง่ายนะอย่างหนุ่มๆ น, นะไม่เคยจีบสาวนะี่มยากๆนะ เคยจีบหนึ่งคนก็ยังยากเคยจีบหลายๆคนแล้วไม่ยากละทําอะไรนะพอคุ้นเคยแล้วมันไม่ยากการเจริญสติก็เหมือนกันใหม่ๆมันยากยากหลวงพ่อถึงบอกไงว่ายากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะเกิดสติขึ้นมานะแต่ไม่ยากเลยที่คนซึ่งมีสติรู้กายรู้ใจแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ยากเลยนะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่าอะไรเพราะเห็นความจริงของกายของใจตัวเราไม่มี นะเอาไปถึงไหนว่าไปพ่อเจ้าค่ะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาสามปีไม่เคยส่งการบ้านเลยเจ้าค่ะแล้วไงก็เมื่อจเจอเรียนหลวงพ่อว่าเมื่อสักสองสัปดาห์ที่แล้วไปเข้าคอร์สปฏิบัตินะเจ้าค่ะนอนตอนกลางคืนสี่ทุ่มจะต้องตื่นตีสี่พอตอนนอนลงไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อ ผมก็บอกตัวเองว่านอนสักทีเสร็จผมมีความสุขเหมือนกับว่ายังไม่หลับมันตื่นอยู่อพรุ่งนี้เดี๋ยวจะตื่นตีสี่ไม่ทันนะอืตอนที่อยู่กําลังบอกตัวเองอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะตัวที่บอกไปเห็นว่ามันกําลังฝันอยู่ อ, อ้าวตกหลงนี่เราหลับหรือเนี่ยนั่น ใ, ใช้ได้และไอ้ตัวที่รู้นี่มันคืออะไรก็บอกตัวเองว่าเอ้านี่เราหลับนี่งั้นก็ช่างมันเถอะนอนไปที่ตื่นตื่นอย่างเงี้ยตีสี่ก็ตื่นได้เจ้าค่ะหลวงพอ่ตอตรงที่มันบอกนนท์บอกนี่นะเราก็รู้ซ้อนลงไปนี่จิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่ ตัวที่บอกว่าเราเออตัวที่มันคิดนึกปรุงแต่งต่อไปเราก็รู้ว่าจิตมันกําลังคิดอยู่เจ้าค่ะทีแรกมันฝันใช่ไหมเรามีสติรู้ทันว่าจิตแอบไปฝันในความเป็นจริงนะฝันกับการคิดเนี่ยอันเดียวกันจิตขึ้นวิถีแบบเดียวกันเลยบางครั้งเราก็ฝันจําได้บางครั้งก็ฝันจําไม่ได้บางครั้งเราก็คิดรู้เรื่องบางครั้งเราก็คิดไม่รู้เรื่องในพภิธรรมเขาก็สอนนะวิภูตาลมเออวิปูตาลมฟังแล้วเวียนหัวไม่ต้องก็ได้เจ้าค่ะ หลวงพ่อเจ้าคาะหลังจากนั้นกลับมาจากปฏิบัติธรรมนะเจ้าคะก็มีเรื่องให้ต้องตระหนกตกใจจิตตกไปสองวันเจ้าค่ะเมื่อสองวันตกไปไหนอ่ะตกไปไหนมันเศร้าเจ้าค่ะมันเศร้าหมองจิตไม่เคยตกนะจิตมีแต่เกิดแล้วดับนั้นตกเดี๋ยวต้องเป็นตามเก็บจิตมันเศร้าหมองจิตเศร้าหมองก็คืออะไรจิตมันเกิดมันเกิดจิตที่เศร้าหมองขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวจิตเศร้าหมองพอเรามีสติรู้ทันจิตที่เศร้าหมองก็ดับไปเจ้าค่ะ ตรงความรู้สึกของผู้ปฏิบัติอันนี้หลวงพ่อพูดรวมๆมันนะทุกข์ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติเลยจะรู้สึกว่าช่วงนี้เจริญช่วงนี้เสื่อมช่วงนี้จิตดีช่วงนี้จิตตกในความเป็นจริงไม่มีหรอกมันเป็นภาพลวงตาทั้งสิ้นเลยจิตที่เป็นกุศลเกิดบ่อยๆล้วก็บอกว่าช่วงนี้เจริญช่วงไหนอกุศลเกิดบ่อยเราก็ว่าเสื่อม ในความเป็นจริงไม่ว่ากุศลหรืออกุศลเกิดก็ล้วนแต่เกิดและดับทั้งสิน้สนกุศลหรือรรอกุศลล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์อย่างเท่าเทียมกันทั้งสิน้นนะั่นเราจะไม่มีคําว่าจิตตกจิตเจริญจิตอย่างนี้ไม่มีนะอออเอาว่าไปจิตเศร้าหมองอจิตเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองไปเศร้า อ, อยู่สองวันหาทางออกไม่ได้ก็รู้ค่ะว่าจิตเศร้าหมองเมื่อวานสืนฟังซีดีเรียนนะเดี๋ยวนะตรงที่อยากหาทางออกอ่ะ ถ้าเราจิตเศร้าหมองอยากหาทางออกนี่คืออะไรคือเรามีโทสะซ้อนขึ้นมานะเราไม่ชอบจิตที่เศร้าหมองเพะนั้นถ้าจิตเศร้าหมองเรารู้ว่าเศร้าหมองจิตเศร้าหมองแล้วใจเราไม่ชอบเรารู้ว่าใจไม่ชอบเรารู้ทันตรงใจที่ไม่ชอบเนี่ยใจที่ยินร้ายความยินร้ายดับนะจิตเป็นกลางความเศร้าหมองจาขาดสะบั้นตรงนั้นเลยจุกค่ะนะ จะหาทางออกจากปัญหาเจ้าค่ะหลวงพ่อหาไม่เจอจนกระทั่งซีดีหลวงพ่อไม่ทราบหลวงพ่อพูดกับใครประโยคหนึ่งเข้าหูว่าทุกอย่างของชั่วคราวเออนะทุกอย่างชั่วคราวหลุดเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ, อนะโอช่างมันเถอะมันของชั่วคราวออนะแล้วมันก็เปลี่ยนไปดีเจ้าค่ะจิตขณะนี้เป็นยังไงจิตดีเจ้าค่ะหลวงพ่อขณะนี้นะเจ้าค่ะจิตขณะนี้มีโมหะ <c oughs> หรือไม่ <c oughs> ม, <ว S 2> <c oughs> มัวมัวเห็นไหมดูออกไหมซึมซึมดูออกไหมยังซึม <นะ S 1> อยู่เจ้าการหลวงเอานอะเนี่ยให้รู้ทันนะให้รู้ทันลงไปเจ้ารู้ลงไปสดสดร้อนๆนี่แหละเจ้าคครับหัดรู้สภาวะเห็นไหมการรู้สภาวะนี่สําคัญถ้าเราไม่รู้สภาวะนะบางทีจิตเราเป็นอกุศลเราคิดว่าเป็นกุศลหรือบางคนหนักกว่านั้นอีกจิตเป็นกุศลนะก็สงสัยอีกเอนี่รู้หรือไม่รู้ดูสิหาเรื่องนะ หาเรื่องเดือดร้อนให้ตนเองค่อยฝึกนะใหม่ๆยากทุกคนเลยอดทนไปค่อยๆฝึกรู้สึกไหมวางใหม่แล้วสบายใจขึ้นห <c oughs> <c oughs> ลงไปแล้วจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับเกีย่ยวกเรื่องวิวธี การฝึกฝึกจิตแล้วก็ดูสติอ่ครับว่าไม่ม่ทราบว่าทําถูกวิธีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือปัญหาของตัวเองคือมีโทสะค่อนข้างแบบมาไหวครับแล้วไม่ค่อยทันอะไรนะโทสะอะไรนะโทสะครับทําไมโทสะทําอะไรมาค่อนค่อนข้างไหวแล้วก็เหมือนกับคือก็คือรู้ครับแต่ก็ไม่ไม่ก็มารู้ทีหลังทุกทีครับรู้ทีหลังก็ถูกแล้วครับคนที่ภาวนาเป็นนะกิเลสจะเกิดบ่อย คนที่ภาวนาไม่เป็นไปเพ่งไว้นะทั้งวันเลยไม่เกิดกิเลสมันนิ่งลุกเดียวนะแล้วอย่ากลัวกิเลสแต่ว่าอย่าผิดศีลห้านะเบื้องต้นต้องมีศีลห้าไว้ก่อนเพราะว่าต่อไปนี้เวลาเราจเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราจะไม่เก็บกดนะคนซึ่งทําสมถะเนี่ยนะไม่ต้องถือศีลมากก็ได้นะเพราะมันเก็บกดไม่ไปทําชั่วอะไรเราวันๆก็ซึมก็ทืออยู่เงี้ยนะมียุ่งกับใครทั้งวันอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องหรอก แต่พอเราไม่ได้เก็บกดเราปล่อยเนี่ยความชั่วที่ในส่วนลึกที่เรื่องอนุสัยทั้งหลายเนี่ยจะผุดขึ้นมาอย่างอิสระตากระทบรูปปุ๊บไม่ได้เก็บกดนะโทสะพุ่งแล้แต่กระทบสาวปุ๊บราคะขึ้นแล้วยาขึ้นมาอย่างรวดเร็วงั้นตรงนี้แสดงว่าเราไม่ได้กดไปแล้วการที่กิเลสเกิดบ่อยเพราะกิเลสเกิดบ่อยเราก็มีสติรู้ทันเราจะเห็นต่อไปมันก็เกิดปัญญาเห็นไหมกิเลสจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้นะ เกิดมาแล้วเรารู้ทันมันไปกิเลสก็เกิดแล้วก็ดับเอยวไปฝึกดับกิเลสนะแต่ฝึกเห็นกิเลสเกิดแล้วดับไม่ใช่ฝึกดับกิเลสคนละเรื่องกันเลยอ๋อครับก็คือดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆลดเองใช่ไหมครับอยากลดเหรออ๋อก็คือคือที่รู้สึกว่าคือรู้ว่าน้อยกว่าเมื่อก่อนครับแต่ก็คือรู้ว่าก็ยังมีคือกิเลสจะเกิดบ่อยกว่าแต่ก่อนแต่กิเลสจะเบาครับทําไมมันเบาเพราะเรารู้เร็วกิเลสเหมือนไฟไหม้บ้านนะ <Yeah. S 2> ถ้าปล่อยให้ไหมหลายนาทีเนี่ยไหมเยอะถ้าคนมันมาวางเพลิงมาขีดไฟแช็คปุ๊บเราเห็นแล้วถีบมันเปรี้ยงไฟไม่ติดละ mm hmm. นะเพราะงั้นกิเลสเนี่ยพอเรามีสติรู้เร็วกิเลสนก็อ่อนแต่เพราะงั hmm. กิเลสจะเกิดบ่อยนะไหววับรู้สึกวับรู้สึกวับรู้สึกไม่ต้องทําอะไรมันเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเป็นคนดีแต่ห้ามชั่วนะทุกคนต้องถือศีลห้านะถ้าไม่มีศีลห้าภาวนาไม่ขึ้นเชื่อหลวงพ่อเถอะต้องมีศีล งั้นเรามีศีลห้าไว้แต่เราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเป็นคนดีเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่มีคนต่างหากมันเลยขั้นที่จะเป็นคนดีไปเยอะเลยเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าจริงๆไม่มีคนหรอกมีแต่อะไรมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมเป็นก้อนธาตุอาศัยพ่อแม่เกิดมาอาศัยอาหารอาศัยน้ําอาศัยอากาศเลยอยู่กับโลกนี้ะวันหนึ่งก็คืนก้อนธาตุนี้ให้โลกไปความจริงต้องคืนตั้งแต่แรกถ้าเป็นธาตุนาคาก็คืนก้อนนี้ให้โลกละนะ แต่ของเราไม่คืนหรอกเรายักยอกไว้อันนี้ของเรานะนี่ของเราเมื่อตรงนี้เป็นของเราตรงนี้ไม่ใช่ของเราแลอันนี้คนอื่นนี่ตัวเรานี่คนอื่นเกิดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าคืนให้โลกนะนี่ก็ส่วนหนึ่งของโลกนี้ก็ส่วนหนึ่งของโลกเสมอกันนั้นเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้มันดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรการภาวนาเพื่อให้ดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรคือการทําสมถกรรมฐาน มิปั ส, สนากรรมฐานไม่ได้เอาดียเอาสุขเอาสงบแต่มิปั ส, สนากรรมฐานทําไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจกายนี้เป็นก้อนธาตุใจเป็นนามมาทำที่เกิดดับเป็นขณะขณะสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างโทสะจะเกิดก็ต้องมีเหตุของโทสะอันแรกเลยเรามีสันดานชี้โมโหเรียกว่ามีอนุสัยที่มีโทสะอันที่สองเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ดี อย่างคนขี้โมโหนะมีนิสัยขี้โมโหแต่ว่าแม้มีแต่กระทบแต่อารมณ์ดีๆแลมันก็ไม่โมโหเห็นไหมแล้วก็บอกหมูนี้จิตใจดีไม่โมโหเลยนะงี้ไม่ใช่เนะฉั้นมันต้องมีเหตุนะอย่างโทสะ ก, ก็ต้องมีเหตุโทสะถึงเกิดราคะก็ต้องมีเหตุราคะถึงเกิดนะถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดแต่ถ้ามีเหตุแล้วสั่งไม่ให้เกิดก็ไม่ได้บังคับไม่ไดนะ้ให้เรามีสติรู้เรื่อยไปนะโทสะเกิดจากอะไรรู้ไหมมีเหตุ มีอนุสัยไหมมีอารมณ์ที่ไม่ดีตรงอารมณ์ที่ไม่ดีนี่เกิดจากการตัดสินของเราเองว่าอารมณ์อันนี้ไม่ดีอันนั้นมันมีพยาบาทวิตกเกิดขึ้นอาศัยพยาบาทวิตกโทสะก็เกิดอาศัยการมาวิตกราคะก็เกิดนะนั้นตามหลังความคิดมาทั้งสิ้นเลยตามหลังการให้ค่าการตีความมานะสิ่งทั้งหลายมีเหตุทั้งสิ้นเลย ให้เรารู้ทันลงไปรู้ทันลงไปเราจะเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้เรื่อยๆดูเพื่อให้เห็นความจริงไม่ได้ดูเอาสุขเอาสงบเอาดีแต่เมื่อเห็นความจริงไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วถามว่าชั่วได้ไหมชั่วไม่ได้คนเราที่ทําชั่วเนี่ยเพราะหลงรักกายหลงรักใจนะอยากให้ตัวเองมีความสุขเลยไปทําความชั่วในขณะเดียวกันพวกที่ชอบเข้าวัดเข้าคอสพวกชอบมาห้องสมุดบ้านอารีอะไรเนี่ยนะพวกนี้ก็รักตัวเองนะ แต่ว่าปรุงฝ่ายดีเนี่ยเข้าวัดเข้าวาฟังทำนะสวดมนต์ไหว้พระทำนูน่ทนทำนี้อันนี้เรียกว่าปรุงดีแต่ปรุงดีก็ดีกว่าปรุงชั่วนะปรุงชั่วแล้วตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนถ้าปรุงดีตัวเองมีความสุขคนอื่นรอบข้างมีความสุขนะแต่ว่าต้องพัฒนาให้เกินนั้นอีกมารู้ความจริงของกายของใจมากๆรู้ไปเรื่อยจนมันแจ่มแจ้งแนละ้วมันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไปแล้วจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยนึกเคยฝัน สุขเหมือนจะตายเลยนะสัมผัสเข้าไปทีแรก<ช>เหมือนจิตใจเราแทบระเบิดด้วยความสุขเคยนึกภาพออกไหมว่ามีความสุขจนแทบช็อกตายเราเคยได้ยินแต่ว่าทุบแทบตายใช่ไหมนี่สุขแทบตายเลยถ้าไม่มีปณิธานไว้ว่าจะต้องมาทำงานต่อนะก็จะตายไปเลยนี่สามวันเจ็ดวันวันเดียวอะไรเนี้ยบางคนก็เลยบอกว่าโอ้คนที่บางคนนั้นหมายถึง พระเจ้ามิลินพระเจ้ามิลินมาถามพระนักขเสนบอกพระคุณเจ้าเคยได้ยินว่าถ้าคารวะเนี่ยบรรลุพระอรหันต์แล้วต้องตายในวันนั้นจริงหรอพระนักขเสนบอกจริงพญามิลินก็จวกเลยนี่แสดงว่าอารหั ต, ตมรักเนี่ยเหมือนยาผิษแท้เลยเป็นของไม่ดีอย่างยิ่งเลยทําให้คนตาย พระนากเขเนบอกไม่ใช่อรหัตามรักนั้นดีมากวิเศษมากมีความสุขมหาศาลนะจนร่างกายจิตใจของมนุษย์ธรรมดานี่มันรองรับไม่ไหวมันไม่ดีพอสำหรับอรหัตามรักษ์ตงหานะเรั้นเราฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็มาพิสูจน์ดูว่าพระนาคเกเสนพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเดินทางซะแต่วันนี้นะข้างหน้าก็ถึงถ้าวันนี้ไม่เริ่มต้นนะข้างหน้าไปไม่ได้หรอก ลงได้ยินธรรมะเกี่ยวกับการเจริญสติจนถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ทำเนี่ยจะทะําเมื่อไหร่ไม่เริ่มวันนี้จะเริ่มเมื่อไหร่รอให้แก่หรือรอให้ตายหรือหรือจะไปเริ่มชาติหน้าหรือจะรอพระศรีอานถ้านิสัยสันดานขี้เกียจขี้คลานไปเจอพระศรีอานก็ยิ่งขี้เกียจกว่า น, นี้อีกเพราะสะสมนิสัยไม่ดีไปนะงั้นต้องฝึกนะหัดเจริญสติตั้งแต่วันนี้เลยไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่มนุษย์คนหนึ่งจะทําได้นะ สติปัฏฐานนะี้เป็นธรรมะที่กลางๆไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปหรอกเป็นธรรมะที่พอดีพอดีที่มนุษย์จะทําได้ทําไมเหมาะกับมนุษย์นี่เทวดายังไม่เหมาะเลยพรหมก็ไม่เหมาะนะมนุษย์นี่เหมาะที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะมนุษย์นี่ ส, สัมส่วนใจเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นไหมหมุนจิติ้วๆอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะร่างกายของเราก็ไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไปนี่ทำให้ไม่ประมาทไม่มัวเมานะ ยังเป็นเทวดาใช่ไหมว่ามีแต่ความสุขจะดูอะไรอะ่ะจะอยากปฏิบัติธรรมเนะีเอาไว้ก่อนนะอายุยังอีกเยอะถ้าเอาไว้ก่อนอายุยังอีกเยอะนี่ประมาทลนะพวกเราก็อย่าประมาทนะต้องลงมือปฏิบัติตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ว่ามาบอกหลวงพ่อว่าขอฟังก่อนนะเดี๋ยวกลับบ้านจะไปปฏิบัตินั่นพวกประมาทนะรู้ได้ยังไงว่าจะถึงบ้านนะ เพราะนั้นต้องทําตั้งแต่เดี๋ยวนี้เรามีสตินะจิตใจเรามีความสุขขึ้นมาก็รู้จิตใจเราฟุ้งซ่านก็รู้เห็นไหมพอพูดมาถึงตรงนี้จิตใจเริ่มนิ่งๆแล้วส่วนใหญ่รู้สึกไหมเนี่ยรู้ลงไปอย่างเนี้ยรู้ลงไปอ่ะพอมีใครอีกไหมหมดแล้วยังเตรียมไว้กี่ค น, น่ะหลวงพ่อก็ลืมถามสงสัยไม่ถึงอะการนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้จิตรู้ว่าตื่นเต้นค่ะเออรู้ถูกต้อง ค่ะแล้วก็แต่ก่อนไม่เคยรู้จิตใจตัวเองก็ถูกกิเลสจิตแอบไปคิดรู้สึกไหมคิดค่ะเออนะจิตไหลไปคิดรู้อะไระไปคิดแต่ก่อนก็โดนกิเลสพาไปทํากรรมมากมายหลังจากที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามก็เห็นกิเลสเยอะขึ้ น, นะค่ะเมื่อก่อนหน้ากิเลสพาไปทํากรรมตอนนี้กุศลพาไ ป, <c oughs> ไปทํากรรมรู้สึกไหมเราทํากรรมฐานใช่ค่ะเวลาพวกเราภาวนานเราชอบคิดเรื่อยๆทํายังไงจะถูกทํายังไงจะดี เราคิดแต่จะทํานะออย่าทําร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นต้องเล่นอย่างนี้อย่าไปคิดนะว่าทํายังไงจะถูกทํำยังไงจะดีทํายังไงก็ผิดหมดเลยเพราะมันมีโลภะแต่ถ้าร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่เรารู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวอยู่เรารู้สึกะเราเห็นถึงความไม่ใช่ตัวเราของกายของใจไปเรื่อยอย่างใจเราหนีไปคิดทราบไหมทราบค่ะให้คอยรู้ทันนะอย่าไปบังคับของคุณยังติดบังคับอยู่นะยังเพ่งไปใช่ไหมยังเพ่งเกินไป รู้ให้สบายกว่านั้นนะรู้สบายอ้าวใครใจลอยยกมือขึ้นมีไหมใครใจลอยอดีนะพวกที่ไม่ยกคือพวกที่ไม่ยอมรับอ้าวเชิญกราบหลวงพ่อค่ะขอหลวงพ่อไม่ได้ยินกราบหลวงพ่อนะคะอขอถามสั้นๆค่ะอย่างเมื่อเมื่อเราคิดนะคะเรารู้ว่าเรา คิดคิดหรือว่ารู้ว่าจิตคิดนะเพราะรู้สึกตอนนี้รู้ว่าจิตคิดตอนแรกรู้ว่าจิตคิดคือเวลาคิดเนี่ยนะคนทั่วๆไปมันก็คิดทั้งวันนะหมาแมวมันก็คิดแต่มันรู้เรื่องที่คิดมันรู้เรื่องราวที่คิดมันไม่รู้ว่าจิตคิดแต่พอพวกเราเวลามาสังเกตตัวเองเราก็รู้สึกว่าเราคิดแต่ถ้าภาวนาเป็นจริงๆเราจะเห็นว่าจิตมันคิด ไม่ใช่เราคิดแสดงว่าถูกสองระดับมันถูกทั้งนั้นแหละมันใช้ได้กับการดูกับการฟังใช่ถ้ายัางเดินอยู่เนี่ยเห็นรูปมันเดินเอันนี้ทำวิปัสสนาอยู่เห็นตัวเราเดินอันนี้ไม่ได้วิปัสสนา<ะ>ใครใครๆมันก็รู้สึก<ะ>เราได้ฟังเห็นไหมเราฟังว่าหูมันได้ยินเสียง<ะ>คนละอันกั น, <ะ>นมันไม่มีเราถ้าเมื่อไหร่ ถอดถอนความเห็นผิดในกายในใจเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานไม่ใช่เราทํางานนะนัค่อยๆลาความเห็นผิดไปว่ามีตัวเราอย่างเช่นแต่ก่อนดูก็รู้ว่าดูแต่ต่อมาจะกลายเป็นว่ารู้ว่าจิตดูเออนี่ยมันมันฉลาดขึ้นมันรู้แล้วว่าตัวไหนทํางานจิตอาศัยอะไรจิตอาศัยตาอาศัยรูปอาศัยการกระทบสัมผัสทางตาเกิดวิญญาณทางตารับรู้ วิญญาณทางตารับรู้อะไรวิญญาณทางตารับรู้แต่สีอย่างเดียวไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นไหมมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจสัญญาเข้าไปแปรว่านี่คือรูปสีอย่างนี้คือรูปอันนี้อันนี้สังขารก็ปรุงต่อเลยว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเริ่มให้ค่าแล้วนะ<ม>ก็เกิดชอบขึ้นมาเกิดไม่ชอบขึ้นมานะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึ ก, ก, สกดีรู้สึกชั่วเกิดโลภโกรดหลงอะไรขึ้นมานี่อาศัยการทํางานทางใจขึ้นมา ขอถามเรียนธรมมีคำถามเก่ยับเรื่องดูเวทนานะคะแบบว่าเราดูได้ตลอดใช่ไหมคะอย่างเนี้เดี๋ยวนี้เราก็ดูได้เพราะเวทนามีอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ในสติปัฏฐานนะที่พระพุทธเจ้าสุ่มตัวอย่างมาให้ให้เป็นตัวอย่างเนี่ยที่เป็นเคสตัตดี้ของเราเนี่ย<ะ>เกิดตลอดเวลาทั้งสิ้นเลยยกตัวอย่างถ้าเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวทั้งวันลน ะ, ะถ้าเรายืนรู้สึกตัวเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวได้ทั้งวันลนะ ถ้าเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวถ้าเราหยุดนิ่งรู้สึกตัวเราก็รู้สึกตัวทั้งวัน่ะถ้าเรามีความสุขเราก็รู้มีความทุกข์เราก็รู้เฉยๆเราก็รู้แค่นี้ก็รู้ได้ทั้งวัน่ะถ้าหลงไปก็รู้ถ้าไม่หลงก็รู้ก็รู้ได้ทั้งวันละถ้าโลภเราก็รู้ไม่โลภเราก็รู้แค่นี้ก็รู้ได้ทั้งวันละเะฉะนั้นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านเลือกมาในสติปัฏฐานเนี่ยเพียงอันใดอันหนึ่งรู้อันใดอันหนึ่งเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นะเราจะมีสติอยู่ได้ทั้งวันใน เป็นเครื่องเจริญสติอยู่ได้ทั้งวันอยู่แลเมื่อหลายเดือนก่อนนะถ้าตื่นมากลางดึกเราจะรู้ว่าเรามีความทุกข์นเนี่ยขณะเนี้ยขณะเนี้ยรู้สึกไหมมันมีเรามีเราจริงๆขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมเนี่ย ไ, ไม่ใช่พระโสดารู้สึกจะ <laughs> อินเข้าไปด้วยน่ามันอินนะมันมีเราขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่จิตคิดละแต่มันเป็นเราคิดมันไม่ใช่ว่าคาดขันนี่ตื่นขึ้นมากลางดึก แต่มันเป็นเราตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วะน ะ, ะแต่มีความทุกข์นะะที่ต้นเหตุที่ทาให้เรียนถามเกี่ยวกับเรื่องเวทนาเพราะว่ามันก็ไม่มีสาเหตุนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วนแต่เกิดด้วยมีสาเหตุทั้งนั้นเลยน ะ, ะ อ, อย่างอาศัยมีกายนี่ใช่ไหมก็มีเวทนาทางกายอาศัยรูปก็เกิดนามอาศัยนามก็มีรูปอเงี้ยก็อิงกันไปอิงกันมานะ คนปกติทั่วไปนะคะที่เรียนสติปัฏฐานหรือฝึกสติปัฏฐานนะคะเขาจะมองเห็นความทุกข์ในใจอย่างเช่นกลางดึกเนี่ยโดยมากเขาจะมองเห็นกันไหมฮะส่วนมากไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าบางคนนะยังไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาก็รู้สึกจริงๆแล้วเวลาที่เห็นตัวทุกข์แท้ๆนะมันไม่ได้เห็นแบบทุกข์ทรมานอย่างนี้ ความทุกข์เนี่ยบางคนเห็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นทุกข์เพราะมันถูกบีบขั้นบางคนเห็นทุกข์เพราะมันบังคับไม่ได้อย่างถ้าบางทีท่าดขันเราไม่สบายตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกมันอึดอัดมันทุกข์อะไรเงี้ยบางทีก็เป็นทางกายได้นะแต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบเนี่ยนั่งอยู่สบายนั่งอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยอยู่ๆฉับพลันนั้นมันพลิกเป็นความทุกข์ฉับพลันขึ้นมาให้ดูได้เลย อย่าคิดมากนะอย่าคิดมากจิตไปหลงในความคิดน่ะปัญหาไม่มีอะไรมากมันหลงคิดคราบนมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะจิตเป็นปกติไหมขณะนี้โยมแน่นหนักนั่นนะสิหนักมากๆเห็นไหมจิตที่เป็นมหากรุสุรจิตนะเบาเจ้าค่ะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อ จิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่เข้าไปแทรกแซงนี่ไม่เป็นธรรมดามเจค่ะเป็นอกุศลจิตช่วงนี้หนักมากเพราะว่ามีความทุกข์บีบคั้นด้วยเจ้ค่ะโยมกราบขอความเมตตาให้หลวงพ่อช่วยแนะนํากรรมฐานที่เหมาะกับอัธยาศัยโยมสักนิดนึ่งท้องโยมน่าไปแยกกันนะระหว่างทุกข์กับปัญหานะเอาไปปนกันเจ้าค่ะความทุกข์นะี่มันเกิดจากเราไม่อยากมีปัญหาปัญหากเกิดขึ้นแล้วอยากให้ปัญหาหายไปเจ้าค่ะนะ ขั้นแรกเลยให้รู้ทันใจซึ่งมันไม่ชอบปัญหาเจใจมันมีโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันลงไปเลยเพอใจเราปราศจากโทสะแล้วใจเราสงบใจเราตั้งมั่นใจเราเป็นกลางแล้วไปคิดแก้ปัญหาปัญหาต้องแก้นะไม่ใช่ปัญหาก็ปล่อยสักว่ารู้สักว่าเห็นยกตัวอย่า ง, งลูกติดยาสามีนอกใจเงี้ยไม่ใช่สักว่ารู้สักว่าเห็นนะมันต้องสู้ตายนะเจ้าค่ะแต่ว่าอย่าทุกข์นะอ อีกทีได้ไหมเจ้าคะ่ะหลวงพ่อคือไปดูไปดูตัวที่ไม่ตัวที่ยินร้ายใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่จิตชอบคุณนะมันเจือโทสะอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะนั่นแหละไปดูตัวนั้นนะเพราะว่านะมันมันกระทบอารมณ์แล้มันมีโทสะแทรกถ้าไม่ต้องมีโทสะเพราะไม่อยากให้มีอารมณ์นี้ใช่เ ห, <ะ>หมเนี่ยแค่เล่าให้หลวงพ่อฟังก็เริ่มอินแล้วรู้สึกไหมให้รู้ทันนะแล้วก็อย่าไปเพ่งตัวเองไว้ แล้วแล้วที่โยมฝึกมานะเจ้าค่ะโยมเคยฝึกตามแนหลวงพ่อเทียแล้วก็หลังๆมาฟังมากราบหลวงพ่อเนี่ยก็มาปรับใช้ด้วยกันคือพยายามฝึกรู้เนื้อรู้ตัวในชีวิตประจําวันต้องระวังนะขยับไปอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ถึงการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยนี่ไม่ใช่รู้สึกตัวนะนี่คือการเพ่งตัวเองเจ้าค่ะรู้สึกตัวเนี่ยขยับไปตัวที่เรารู้ทันคือจิตนะไม่ใช่มือ โยมมักจะเหมือนกับมักจะไปรู้ที่กายหนึ่งนั่นแหละเจ้าค่ะมันคือการเพ่งกายพอเพ่งจนชํานาญจิตมันก็ค้างออกมาอย่างนี้แหละโยมหลวงพ่อเคยแนะมาทีนเมื่อเมื่อตอนติดจิตขณะนี้กับตะ ก, กี้ไม่เหมือนกันดูออกป่ะจิตที่ใช้ได้ต้องเตัวอย่างนี้มันก็ยังรู้สึกหนักอยู่รู้สึกไหมมันเหมือนมันเริ่มคล่องแคล่วขึ้นเริ่มเคลื่อนไหวดูไม่ค่อยออกดูไม่ออกก็ดูกายไป คื อ, นะ ค, อคือกายเคลื่อนไหวคอยรู้กายเคลื่อนไหวคอยรู้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะให้คอยรู้ทันนะตัวที่สําคัญมากเลยที่หลวงพ่อเทียนสอนนะก็คือถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติเราเคลื่อนไหวไปเนี่ยแล้วจิตแอบไปคิดแล้วคอยรู้ทันอันนี้บางทีรู้ได้นจะ้าค่ะมันคืออันเดียวกับที่หลวงพ่อพูดเมื่อตะกี้เนี่ยตอนเริ่มต้นอนะ่ะที่ mm hmm. บอกให้พุโทโธไปแล้วจิตแอบไปคิดให้รู้ทันนะั่นแหละนี่เราขยับอย่างหลวงพ่อเทียนแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไปเพ่งใส่มือเนี่ยรู้ไม่คลาดสายตาเลยนะรู้ จิตอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยเจ้าค่ะอย่างนี้เพ่งหลวงพ่อคืออย่างนี้เจ้า ค, ค่ะบางทีในระหว่างประจําวันเนี่ยพอยมเผอไปใช่ไหมพอยมกระดุกกระดิกตัวเนี่ยมันรู้ว่าเมื่อกี้เผอไปแล้วแต่อย่างนั้นใช้ได้อย่างนนั้นหถหกเจ้าค่ะการดูจิตเนี่อรู้ตามหลังไม่รู้ลงปัจจุบันนะแต่การรู้รูปรู้ลงปัจจุบันค่ะแต่ว่าบางทีเราก็ยมยอมรับว่าจงใจที่จะรู้สึก จ ง, จงใจที่จะรู้ทานข้าวก็รู้ว่าทานข้า ว, าาวล้างจานก็รู้ว่าล้างจานไม่ใช่สิไม่ได้ใช่ไหมจงจไออย่างงั้นคนที่อื่นเขาก็รู้กินก๋วยเตี๋ยวรู้ว่ากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ <laughs> เห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมเนี่ย<ม>คน<ๆ>อื่นที่เขาไม่ภาวนาเขาก็รู้อย่างนั้น<อ>ถ้าจะกินข้าวนีไ่ไหมเห็นร่างกายเห็นธาตุมันเคลื่อนไหวเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเห็นใจเป็นคนดูอยู่เห็นไหมกินเข้าไปคํานี้ใจมันชอบขึ้นมารู้นี่ คำที่สองออันนี้ไม่ชอบใจมันรู้อย่างนี้ถ้าจะขอคีย์เวิร์ดหลวงพ่อสั้นๆให้โยมน้อมนําไปปฏิบัติต่ออย่างนี้เจ้าค่คะอย่าบังคับตัวเองอย่าเพ่งอย่าเพ่งยังเพ่งอยู่นะที่ไปขยับมือก็ไปเพ่งอยู่ปล่อยซะปล่อยแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่าบังคับให้มันนิ่งก็อย่างที่หลวงพ่อสอนคือมีศีลห้าเข้าไว้แล้วก็ให้กายให้ใจ <พ ung S 2> ทุ่งสั้นแะรู้สึกไหมนั่นแหละให้รู้ทันอย่างนั้นแหละนะ กดไมและรู้ส <an> <ại> ึกไหมเออนั่นแหละได้กี่คนแล้วคงต้องเรียนแบบระบบสุ่มตัวอย่างที่เตรียมไว้สิบห้าคนสุ่มได้ไม่กี่คนบันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยหลวพ่อมีนัดต่อสิบโมงอ้าวว่าไปถึงไหนแล้วมัสการหลวพ่ออยู่ไหนอยู่ไหนนี่ครับกระผมขอเรียนถามเรื่องวิธีการปฏิบัติครับเคยปฏิบัต ดยการนั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วก็หลังจากได้ฟังซีดีของหลวงพ่อทีเออ่เปิดให้ฟังที่บ้านอารีนี่ก็ตั้งแต่นั้นมาก็ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาตลอดขอกราบเรียนถามเรื่องาริบัติงแล้ว<ๆ>การการรู้ลมหายใจก็เป็นกรรมฐานที่ดีอันหนึ่งแต่ทำยากอาจารย์อภิธรรมบางท่านถึงขนาดบอกว่าอานาปานาสติเนี่ยเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษ ของคนที่เลิศ ก, กว่าคนทั้งหลายนะเพราะมันเป็นขอละเอียดแต่ถ้าเราจะรู้ลมหายใจนะเราคลิกนิดหนึ่งให้มารู้ทันจิตแทนหายใจไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้ของคุณติดเพ่งนะจิตยังติดเพ่งอยู่คุณต้องปล่อยให้ได้ถ้าเราเพ่งไวเนี่ยกายก็นิ่งใจก็นิ่งถ้ากายนิ่งใจนิ่งนะมันก็ไม่มีไตรลักษ์ให้ดูเราภาวนาเราทํำวิปัสสนานะเพื่อให้เห็นกายเห็นใจมันแสดงไตรลักษ์ ก็จะดูไตรลักษณถ้าหากเราเพ่งกายเราเพ่งใจกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่มีไตรลักให้ดูนะปล่อยซักปล่อยที่คุณฝึกนะโดยพื้นฐานนะมันดีขึ้นเยอะแล้วคุณไม่ได้ไปถลําลงไปอยู่ที่ลมจิตมันไม่ถลําไปอยู่กับลมก็ดีแล้วคอยดูไปเห็นร่างกายมันหายใจไปเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปนะเห็นใจแอบไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไปเนะี่ยฝึกอย่างนี้แหละรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไป เพื่อนฝากถามหนึ่งข้อครับเรื่องความแตกต่างระหว่างความคิดกับกับจิตสมองกับจิตทำงานต่างกันยังไงครับโอ้เนี่ยเราไม่รู้จักสัตว์บางชนิดไม่มีมันสมองนะมันก็คิดได้อย่างพวกเทวดานะใครลองว่างๆลองผ่าหัวดูสมองเนะี่ยมันเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือให้จิตของมนุษย์ทำงาน เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองบางครั้งนะถึงไม่มีสมองนะอย่างจิตภาวนาแล้วจิตแยกออกจากกายจิตก็ยังคิดได้อยู่มันต้องภาวนาจนกระทั่งมันแยกกายกับจิตออกไปเราถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วสมองเป็นเครื่องมือสําหรับมาบงการทางร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่แต่ว่าสําหรับสมองกับจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันนะกรรมชรูปทําให้เกิดสมองขึ้นมาเนี่ย บางคนสมองดีสมองไม่ดีเป็นเครื่องมือที่ดีที่ไม่ดีเวลาที่จิตทำงานด้วยความรู้สึกหรือด้วยคุณภาพที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็ใช้สมองคนละที่กันสมองคนละที่กันอย่างถ้าพวกเราภาวนาสุดขีดแล้วนะมันจะมาใช้สมองส่วนหน้าใช้อยู่แถวนี้ไม่ค่อยใช้ที่ข้างในนะใช้สมองเปลี่ยนที่ไปส่วนพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบ นิสัยชั่วร้ายมันจะใช้สมองตรงกลางๆใช้สมองคนละที่กั น, นหรือเวลาเราภาวนาจิตรวมนะเลือดมันจะมาอยู่ที่สมองส่วนหน้าเยอะนั้นกายของมนุษย์กับจิตของมนุษย์เนี่ยมันลิงก์กันสัมพันธ์กั น, นแต่ว่าไม่ใช่อันเดียวกันสมองนั้นเป็นแค่เครื่องมือของจิตเท่านั้ น, นที่จะเอามาสั่งงานให้ทำงานควบคุมทางร่างกายทางอะไรพวกนี้แม้เราไม่มีสมอง สัตว์บางอย่างไม่ต้องอาศัยสมองอะมีแต่จิตยอย่างเดียวก็คิดได้อย่างพวกอารูปประพลมนะพวกเอารูปมันก็คิดนะมันใช่ไม่คิดนะแต่ความคิดของเขาละเอียดค่นะท่าคอาจารย์หลวนพ่อค่ะแล้วพอดีวันนี้ก็ได้มาไม่ไม่นึกว่าจะได้มากราบหลวงพ่อที่นี่ค่ะพอดีได้จับฉลากได้ก็เลยได้เข้ามาที่นี่ค่ะโอ้ บังเอิญจับฉลากได้เปล่าค่ะชาวพุทธไม่มีคาว่าบังเอิญนะแต่ตั้งใจมากราบค่ะอืมแล้วไงแล้วก็แบบว่าจิตนี้จะเผอตัวตลอดเวลาปฏิบัติอะคารฮะปฏิบัติ <จะ S 1> อีทาอ่าไหนเผอตลอดเผอค่ะทุกทีจะท่องพุโทโธแต่ทีนี้พอได้ยินหลวงพ่อเทศในวิทยุค่ะก็มาฟังตอนแรกฟังดูแล้วเอ๊ะมึนไปหมดว่าเอ๊ะยังไงท่านสอนยังไง พอฟังไปเรื่อยๆก็ีแรกก็ต้องมอนก่อนแหละก็เข้าใจก็ตามแต่ก็ตามไม่ค่อยทันน่ะเผลอสติอยู่เรื่อยค่ะไม่ได้ให้ตามให้ทันแต่หลงไปแล้วให้รู้ให้หลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงนะแต่ต้องถือศีลไว้นะแล้วถึงเวลาก็ต้องทำความสงบเข้ามาสมาธิก็จำเป็นสมถาก็ทิ้งไม่ได้แต่บางคนเท่านั้นแหละที่หลวงพ่อบอกให้หยุดทาสมถาก่อนอันนั้นเฉพาะพวกที่ติดสมถะ ไปเพ่งจนกระทั่งจิตใจไม่ทำงานนิ่งซึมกตือไปแล้วพวกนั้นต้องเลิกไปก่อนพ็หัดมาเจริญสติพอเจริญสติไปช่วงหนึ่งนะยังไงก็ต้องกลับไปทำสมถะถ้าไม่มีความสงบของจิตเป็นเครื่องส่งเสริมเลยเนี่ยจิตไม่มีกำลังที่จะเดินปัญญาอย่างแท้จริงของคุณไปดูเอาใจยังไม่ธรรมดานะนมนมัสาการ์หลวงพ่อ ตอนนี้หนูตื่นเต้นมากค่ะก็อยากทราบว่าที่หนูปฏิบัตินะคะควรจะปรับปรุงอะไรบ้างอะค่ะถามง่ายตอบยากยากคือถามสั้นๆนะคะเพราะเวลาสั้นๆนะเราให้มีสตินะรู้ทันจิตของเราอากุศลใดยังมีอยู่อากุศลใดยังครอบครองจิตได้อยู่ให้รู้ทันมันลงไป กุศลใดที่ยังไม่ได้ทําให้มีขึ้นมานะก็ขลกขวายหน่อยกนะุศลทั้งหลายเช่นทานเช่นศีลนะเช่นการทำความสงบใจเช่นการเจริญปัญญารู้กายรู้ใจนะทำให้มันมีขึ้นมาอกุศนละใดที่ยังละไม่ได้ก็ให้รู้ทันไปนะมันจะค่อยๆลดลงไปํำรวจตัวเองทุกวัน โทสะเนี่ยจ ะ, จะมีมากนั่นแหละแล้วก็เผลอไปคิดโน่นคิดนี่เผลอไปก็เป็นโมหะนะมั้ยเผลอไปคิดโน่นคิดนี่ฟุง้งซ่านคิดไปคิดมาไม่ชอบใจก็โทสะเกิดนะให้มีสติรู้ไปจิตหลงไปคิดให้รู้ทันถ้ารู้ทันตรงหลงไปคิดไม่ได้โทสะเกิดแล้วให้รู้ทันว่าจิตมีโทสะพอเห็นว่าจิตมีโทสะแล้วไม่ชอบมันอยากให้หาย ให้รู้ทันว่าอยากให้หายตามรู้ไปเรื่อยๆค่ะอย่างนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมบางทีดูดูก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะนอกจากว่าถ้าเกิดมีความสุขขอคุณต้องดูกายไปด้วยนะของคุณดูจิตรวดเดียวมันยังไม่ได้คุณดูกายไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องดูจิตนะพวกเรา การดูจิตไม่ใช่กรรมฐานที่ดีที่สุดสาหรับทุกคนไม่มีกรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนทุกคนแต่ละคนนะั้นมีทางเฉพาะของตัวเอง <Okay. S 1> บางคนต้องรู้กายบางคนต้องรู้เวทนาบางคนต้องรู้จิตบางคนรู้ธรรมแต่การรู้กายก็มีวิธีรู้รู้เวทนาก็มีวิธีรู้รู้จิตก็มีวิธีรู้นะรู้ธรรมก็มีวิธีรู้ต้องเรียนต้องค่อยๆฟัง oh. นะ เอย่างสมมติว่าอย่างวันที่เราทํางานเนี่ยตอนเช้าเราก็ตั้งใจเออเดี๋ยวเราจะจะดูอยากจะดูเสร็จแล้วมันก็ลืมไปอะค่ะลืมไปนึกอีกทีก็หลังชั่ธรรมะเราว่าอะไรจิตได้สอนธรรมะเราเรียบร้อยแล้วว่าเธอสั่งฉันไม่ได้หรอกในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทั้งกายทั้งใจสอนธรรมะเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เงี่ยหูฟังเราปฏิเสธธรรมะตลอดเวลาธรรมะถึงไม่ไหลเข้าสู่ใจเรา อย่างทั้งกายทั้งใจเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงให้ดูทั้งกายทั้งใจแสดงความทุกข์ให้ดูทั้งกายทั้งใจแสดงการบังคับไม่ได้ให้ดูอย่างเราตั้งใจแล้ววันนี้จะไปทํางานเราจะมีสติทั้งวันใช่ไหมเราตั้งใจแล้วปรากฏว่ามันไม่ยอมมันไม่มี <คะ S 1> นั่นแหละเขากําลังสอนธรรมะเราเขากำลังสอนมวยให้นะแต่เราก็ไปบอกว่าวันนี้ไม่มีธรรมะเลยความเป็นจริงแล้วธรรมะไม่เคยหายไปไหนเลยกายกระใจนี้แสดงธรรมะตลอดเวลาแต่ เราเองต่างหากเราไม่ยอมรับมันเราไปดูผิดตัวเราไปอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากจะมีสติตลอดเวลาอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานแม้เราเต็มไปด้วยความอยากจิตนั้นไม่ได้เป็นไปตามความอยากจิตมันทํางานไปตามเหตุตามปัจจัยปลุกแต่ของมันเองไปรู้ให้ทันนะไปรู้ให้ทันอา้าวใครอยากกลับบ้านยกมือขึ้น ก็เป็นท่านสุดท้ายที่ถามนะครับท่านสุดท้ายที่ถามนะครับออท่านสุดท้ายไม่หลวงพ่อฟังเมื่อกี้งงรือไหมว่าเอ๊ะนี่ผู้หญิงเสียงผู้ชายอ้าววาบไปค่ะไม่เคยมาหาอาจารย์เลยนะคะแต่ฟังเทพอาจารย์ตลอดค่ะคือตัวเองนี้ เมื่อมาเช้านี้เดินวนเวียนอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าอยากจะเข้ามาในห้องนี้จังแต่จะเข้ามายัางไงพอดีผ่านมาเขาให้จับชลาก็โยงจับใหม่อย่างนี้จับใหม่แบบที่เขาโชคดีค่ะ<อ>เพราะว่าอธิษฐานในใจว่าวันนี้ขอขอให้ได้พบหญิงพอ่อขอให้ได้พูดกับหลวงพ่อบ้างก็ได้เบอร์เก้ามาค่ะดี ใ, ใจแล้วเขาให้เป็นคนสุดท้ายด้วยชือ ที่ฟังคำถามทั้งหลายอยากจะถามอาจารย์นี่นะคะดิฉันก็ได้ทราบจากที่อาจารย์ตอบแล้วคือเคลียชัดเจนมากเลยค่ะก็แต่ยังมีอยู่บางอ ย, ย่างที่เนื่องจากตัวเองเนี่ยพ อ, พอกเกษียณแล้วก็ไปปฏิบัติทัพมากเหลือเกินหลายสํานักทีนี้เพราะอยากจะทราบว่าคือคุณพ่อคุณอคุณแม่นี่ก็เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่เข้าใจเรายังไม่เข้าใจพอเรามา ไปปฏิบัติยังไงมันก็ไม่เข้าใจค่ะคือบางบางบางสำนักนี้พอล้มตึงท่านก็บอกว่าโอ้อันนี้จังทุกขรังอนัตตาอย่างนี้นะคะก็เลยทำให้เราไม่เข้าใจค่ะพอมาที่อาจารย์นี้จริงๆนะโยมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนมากเลยมีเหตุมีผลสมบูรณ์ที่สุดเลยนะ อย่างเครื่องมือที่เราจะใช้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยเครื่องมือจะทํำมิปั ส, สนานะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้ น, นอันนึงคือสติอันนึงคือปัญญา <Okay. S 2> สติเกิดจากทีรัสัญญาจิตจําสภาวะได้แม่นหัดดูสภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดนะ <Okay. S 2> ปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาส ม, มา ธ, มมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตพวกเราที่ไปฝึกกันมามากมายเนี่ยมีมิจฉาสมาธิจิตไม่ได้เป็นสัมมาส ม, มาธิแท้ๆนะคะ okay. เพราะฉั้นเราเลยเดินปัญญาไม่ได้สติก็ไม่มีมีแต่กําหนดไว้บังคับไว้ใช่ไหมปัญญาก็มีแต่คิดเอาเองมันไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาตัวจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจนะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งสิ้นเลยสติเกิดจากอะไรสติเป็นยังไงสติเกิดจากอะไร สติทําหน้าที่อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งสิ้นเลยหรือปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาทํางานยังไงเรารู้ได้ทั้งสิ้นเราทําเหตุให้ตรงนะแล้วผลมันมีก็เลยเหมือนกับว่าจิ๊กซอที่ว่างๆไว้เต็มแล้เป็นนักต่อจิ๊กซอละมีคนมาบอกหลวงพ่อบ่อยๆว่าเรียนจากครูบาอาจารย์มาตั้งนานนะ ก็ไม่เข้าใจนะมาฟังลงพ่อแล้วเนี่ยกลับไปเข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอนใช่ค่ะเหมือนจะเข้าใจแต่ไปแล้วมันก็ไม่เข้าใจว่าทไมไม่เข้าใจเราทรรมาเข้าใจไม่ได้ด้วยการคิดค่ะพอตอน้องยมต้องระวัดระวังนะพองโยมใจจะไหลไปคิดง่ายแล้วใจจะเจือด้วยโทสะบ่อยนะให้มีสติรู้ทันมันลงไปเลยนะอยู่กับปัจจุบันไปแล้วสุดท้ายอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะที่อาจารย์บอกว่าเราอย่าผิดสินห้า แต่เนื่องจากที่ผ่านมาอาชีพของตัวเองคือเป็นสัตวแพทย์เราต้องฆ่าสัตว์มากมายหรือเกินที่นี้ใจก็กังวลว่าที่เราทํามาผ่านมานั้นมันเป็นบาปอะไบไปแล้วจบไปแล้วใช่ไหมคะไม่ไม่มีไอคนที่มันทําบาปนั้นมันเกษียนไปแล้วช่างมันอ๋อค่ะอันนี้เป็นคนใหม่แล้วในในอัธกถาธรรมบทมีนะมีเพชชะฆาตอะเพชชะฆาตตัดหัวคนจนวันหนึ่งกษียนแล้วพอเกษียณแล้วเนี่ย ก็อยากทําบุญบ้างไปนิมนต์พระสารีบุตรมาแสดงธรรมมาฉันอาหารแสดงธรรมพระแขกเนี่ยพอฉันอาหารเสร็จแล้วต้องแสดงธรรมพอท่านแสดงธรรมได้นิดหน่อยเนี่ยนะเพชฌฆาตอดีตเพชฌฆาตเนี่ยฟุ้งซ่านเราฆ่าคนมาเยอะเลยเราไม่มีทางเข้าใจธรรมะที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดอย่างนี้ได้หรอกใจฟุ้งซ่านพระสารีบุตรท่านรู้ทันวาระจิตของอิตาเพชฌฆาตนีนะ่ท่านก็เลยออกอุบาย ท่านถามบอกว่าที่โยมไปตัดหัวคนน่ะโยมอยากตัดเองหรือว่าพระราชาสั่งนะเฮชคานนี่ก็ปิ๊งเลยโอ้พระราชาสั่งพระราชาบาป <c oughs> เฮชคานนี่สบายใจนะพอสบายใจแล้วฟังธรรมะนะได้พระโสดาบันนะท่านองคุลีมานฆ่าคนพันคนเหโยมยังไม่ได้ฆ่าคนใช่ไหมเป็นสัตวแพทย์ไ ม, ไ, ไม่ใช่<า>เป็ น, <า>ปนมนุษยแพทย์ <c oughs> แต่ก็แอบคิดนิดนเหมือนกันนะคะเพราะว่าสั่งให้คนงานทํานะค ะ, ะตัวเองไม่ได้ลงมือทําคิดเอ๊ะหรือตัวเองอาจจะไม่บ่าเอ่านเลยตรงนั้นเป็นอดีตหมดละคเอา<ข>อปัจจุ <ขอ S 1> บันนะปัจจุ <ขอ S 2> บันนี้เรามีบุญแล้วเราได้นั่งใกล้เราได้ฟังธรรมล้วเหลือแต่บุญที่ว่าเราจะลงมือปฏิบัติจนเราเห็นธรรมฝึกไปนะวันหนึ่งเราจะเห็นธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อ ธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้แหละมีสติรู้กายมีสติรู้ใจอย่าไปบังคับเขาแต่คอยรู้กายรู้ใจไปบ่อยๆอย่าบังคับนะ<ข> แ, แล้วควรจะจริตนี้ควรจะปฏิบัติแบบของโยมมันขี้โมโหขี้โมโหดูง่ายดูใจไปเลยใจค่นะขอบพระคุณครับหลวงพ่อสุดท้ายมีผู้นําทานมาถวายครับก็เลยจะดอถวายทาน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 ยถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวายโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันรโสยะถามณนิโชติรโสยถาสัพีติโยวิวัชชนตูสภโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะ อาพวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังรีบนะรีบจเจริญสติเข้านะแต่ละคนมีเวลาน้อยนะเวลาที่จะเจอพระพุทธศาสนาก็มีไม่มากหรอกในสังสารวัตรนะอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆนะรู้สึกไปทั้งวันเลย รู้สึกไปเรื่อยสักเดือนหนึ่งก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเรียนกับหลวงพ่อไม่ใช้เวลานานหรอกสักเดือนหนึ่งก็จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้แล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นผลเลยตัวเองจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองนะเคยทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกขสั้นคนรอบตัวก็จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเราได้นะฝึกไว้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของพวกเราหรอกมีแต่ธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งของเรานะธรรมะต้องต้องฝึกเอาเอง ท่านถึงบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนความจริงตนเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกธรรมะเป็นที่พึ่งแต่ว่าอาศัยตัวเรานี่แหละต้องปฏิบัติเอาถึงเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เรียกว่าประมาทนะอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตความทุกข์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้เลยอย่าประมาทนะต้องสู้นะต้องทำเอาอหลวงพ่อไปแล้ว